ช่วง 3-4 วันนี้อากาศร้อนมากนะโดยเฉพาะภาคอีสานก็พอดีกับที่เรามาเริ่มปฏิบัติธรรมกันที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ะจะร้อนแค่ไหนแต่ก็อย่าถือว่าเป็นเคราะห์อย่าถือว่าเป็นอุปสรรคนะ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 เวลาแดดร้อนๆ อ, อากาศอบอ้าวเนี่ยลองสังเกตดูนะว่ามันไม่ใช่กายของเราเท่านั้นที่ร้อนไว้ครั้งใจของเราก็พลอยร้อนตามไปด้วยลองเห็นสังเกตเห็นใจของเราไหมเวลาอากาศร้อนๆโดยเฉพาะตอนบ่ายมันบ่นไหมมันตีโพลตีพายไหม มันรู้สึกผักใสมีความหุดหงิดมีความขุ่นเคืองหรือเปล่าอันนั้นแหละคือตัวการที่ทำให้ร้อนใจและพอใจร้อนเนี่ยมันก็ไปซ้ำเติมกายทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นที่จริงร้อนกาย แต่ว่าใจไม่ร้อนอันนี้ทําได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสังเกตหรอกนะเพราะไม่ค่อยมาดูใจของตัวพอร้อนกายก็เลยปล่อยให้ใจร้อนใจทุกตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรานะมีสติ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 เข้มแข็งว่องไวาปาดเปรียวนะมันก็ถอยหนีไปอย่างรวดเร็วพอๆกันแต่ที่มันบางครั้งมันไม่ค่อยถอยหนีก็พอสติเราอ่อนนะมันเกิดขึ้นแวบๆบ แ, บบแล้วก็หายไปแล้วนานๆก็จะโผล่มาทีงั้นถ้าเราได้ใช้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 เพื่อนักปฏิบัติหรือว่าแสดงอาการไม่พอใจด้วยสายตาหงุดหงิดที่เขาอาจจะมาเดินขวางหรือตัดทางของเราก็ทำให้เกิดความขัดแยง้งหรืออาจจะถึงกับมีปากเสียงกันหรือถึงไม่มนะีแต่ก็มีความโกรธ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 นักปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนะก็สามารถจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อากาศร้อนก็เอามาใช้ใเป็นประโยชน์ในการนะมาดูใจดูจิตของตัวและการที่เรารู้เท่าทัน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 เรื่องทุกข์ในี่มันอาจจะมีเหตุปัจจัยจากภายนอกเช่นอาหารแสงแดดผู้คนชื่อโรคแต่ทุกข์ใจเนี่ยมัน ล, ล้วแต่เกิดจากความคิดของเราเป็นส่วนใหญ่ความคิดที่ปรุงแต่งขึ้น ความคิดที่ไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างลองสังเกต ด, ดูเวลาเราทุกข์เนี่ยนะจาไม่ใช่เพราะว่ามีความทุกข์กายเกิดขึ้น<อ>ก็มักจะเกิดเนื่องมาจากใจเนี่ยแหละที่มันไม่อยู่เป็นที่เป็นทาง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 ใจไม่ได้เสียอย่างเดียวนะสุขภาพกายก็เสียไปด้วยเพราะว่ากุ้มใจมากมีครูคนหนึ่งโดนโกงไปแสนหกจนะเสียใจแล้วก็ขุนเคืองใจมากไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยร่างกายผ่ายผอมเป็นเดือนเดือนเลยนะ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 แล้วเราจะทำร้ายตัวเองทำไมก็เริ่มนะกลับมากินข้าวกลับมาใ ช, ช้ชีวิตตามปกติแต่ก่อนนั้นนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่ยอมปล่อยให้เงินหายไปเท่านั้นแต่ยังปล่อยให้ความสุขใจหายไปด้วยเสียทั้งเงินเสียทั้งใจเสร็จแล้วก็สุขภาพก็เสียด้วยและแน่นอนนะก็ไม่มีกําลังใจ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 ซึ่งบางอย่างก็ตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้นอกจากการที่ปล่อยใจหลไปกับอดีตแล้วเนี่ยบางทีก็ปล่อยใจลอยไปกับอนาคตไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในเร็ววันก็ทุกเสียใจกังวลวิตกทั้งที่ ปัจจุบันมันยังไม่เป็นยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เขียนมาเล่านะเขียนมาปรึกษาอายุสาสิบสองสามียสามสิบเก้าสามีเป็นมะเร็งที่ลำไส้เจ้าตัวนี้ไม่รู้เลยนะแตะ่มะเร็งมันก็ลุกลามไปเยอะแล้วไปอยู่โรงพยาบาลสี่เดือนก็หมดเป็นล้านต้องไปกู้หนี่ยืมสินมาสุดท้ายต้องเอา สามีออกมาจากโรงพยบาบาลมาอยู่บ้านสามีนี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะตัวภรรยาไม่ยอมบอกจตตอนนี้ก็สามีก็มีอาการลุกรามจนปวดต้องฉีดโมฟีนให้ทุกสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นทุกข์มากเลยนะเธอเขียนมาเล่าน้ำเสียง แล้วก็จากถ้อยคำที่บอกนี่ก็สามารถเธอมีความทุกข์มากกลุ่มใจที่สามีกำลังจะตายนะแล้วสามีตายแล้วลูกจะทำยังไงอายุเก้าขวบนี่สินต่างหากเนะยอะแยะไปหมดเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับนะปรึกษาเขียนเขียนมาถามมาขอให้ช่วยที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 จึงก็หมายเขาว่ายัางจะทําอะไรดีๆให้แก่กันและการได้เยอะมีความสุขร่วมกันก็ได้ก็ได้สติขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็แนะนําเขาว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้เขาป่วยกายก็จริงแต่ว่าไม่จําเป็นต้องป่วยใจก็ได้เราพยายามช่วยให้เขาน้อมใจนึกถึงสิ่งที่ดีๆ รวมั้งช่วยทําให้เ ค, คลายความกังวลไม่มีอะไรที่ติดข้างใจที่ทําให้เกิดความทุกข์ได้แนะนํเพาว่าตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการดูแลการดูแลทางกายเท่านะั้นแต่ต้องการการดูแลทางจิตใจด้วยนั่นนี่แหละคือสิ่งที่ภรรยาสามารถทําให้กับสามีได้การดูแลทางจิตใจเรื่องการดูแลทางกายนี้นะหมอทําได้ดีกว่าเรา พยาบาลทำได้ดีกว่าเราแต่เรื่องการดูแลทางจิตใจนี่เราคือสภรรยาสามารถจะทำได้ดีกว่าแล้วเราจะดูแลจิตใจเขาได้เราก็ต้องดูแลจิตใจตัวเองก่อนถ้าเรามกดทูเศร้าหมองเครียดสามีก็จะพลอยรับความอารมณ์นี้ไปจากเราด้วยเพราะมันติดต่อกันได้ดันั้น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 คนจำนวนไม่ น, น้อยเนี่ยปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปหลุดลอยไปคือมัวแต่เศร้าเสียใจที่สามีหรือคนรักกาลังจะตายจนลืมไปว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่กับเราเรายังสามารถจะทำอะไรดีๆให้กับเขาได้อีกมากมายทําไมต้องไปมัวเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เสร็จแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่สามารถจะใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันนะเราจะพว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโอกาสทองที่เราสามารถจะทําอะไรได้มากมายเอาคนทุกวันนี้เนี่ยนะปล่อยให้ความสุขหลุดลอยไปเพราะว่าใจนี่มันไปคิดถึง สิ่งเลวร้ายในอดีตหรือไปมัววิตกเศร้าโศกเสียใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงถ้าหากว่าเรารู้จักเอาใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะพ่อความสุขเนี่ยเราจะพ่ความทุกเนี่ยมันมันหายไปเยอะทีเดียวไม่จะเป็นความเศร้าเสียใจความกังวลแล้วเราจะใช้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 จมอยู่กับภาพฝันปรุงแต่งที่เลวร้ายที่คิดขึ้นมาปรุงแต่งในทางเลวร้ายทางหน้าที่ยังมาไม่ถึงาจิของเรานี่เหนื่อยอ่อนเหนื่อยอ่อนมากเลยนะเพราะว่าไม่รู้จักมาพักพิงที่บ้านถ้าเรารู้จักให้ปัจจุบันขณะเนี้ยมันเป็นบ้าน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 ทำไปทำไปก็จะก็จะงุดหงิดนะเพราะว่าไม่มีใครอยากอยู่คุกใจเราก็ไม่อยากอยู่ในกงขังมันก็จะต่อสู้มันก็จะพยศขัดขืนทํากายเป็นบ้านคือว่าใจเนี่ยก็สามารถที่จะออกจากบ้านได้แต่หน้าที่ของเราคือว่าเรียกมันกลับมาเรียก มันเรียกใจกลับมากลับมาบ้านกลับมาบ้านให่ม่ๆไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หม่ไมอไม่ไม่ไม่ไม่ไป่ไไม่ไมไม่ไม่่ไม่่ไม่อยยอมม ไ, ไ ม, ไไม่ไม่ไ ม, ม่ไม่ไม่่ไม่่ไไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไม่่ไม่่ไมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไมกไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ไมม่ไม่ไมมไม่ไม่ไมม่ไม่ ไม่ท้อนะเรียกจกนกระทั่งนายสุกลกับมามาอยู่บ้านเดี๋ยวสักพักไปอีกแล้นะอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปหมดอย่าไปหมดหวังกับเขานะเราเหมือนกับพ่อหรือแม่ที่พยายามที่จะ เ, เรียกเขากลับมาไม่รู้ไม่รู้จักเหนื่อยไม่รู้จักท้อเพราะเรามีความรักมีความหวังดี เขาไปชอบไปเที่ยวเล่นจนกระเซิ ก, กระเซิงกลับมาก็ไม่เป็นไรนะผ่อนพักแต่บางทีก็ไม่ยอมกลับนั่นคือสภาพใจของเราแต่ก่อนเวลาเวลาเราจะนอนนอนไม่หลับนะใจมันฟุ้งเตลิเปิดเปิงไปนั่นแหละคือสภาพของของใจที่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 ไม่ต้องเรียกใหม่ๆสิ่งที่จะเรียกจิตให้กลับมาเนี่ยก็คือความรู้สึกความรู้สึกกายที่มันยกมือเคลื่อนไหวไปมามือที่เท้าที่ก้าวเดินใจลอยไปสักหน่อยมันรู้สึกว่ามือกําลังเคลื่อนเท้ากําลังขยับมันก็เกิดสติขึ้นมาระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็กลับมา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 เรียกว่าสัมมาสติในสิที่สติที่จําได้เรื่องนอกตัวนี้นะใครๆก็มีกันโจรขโมยก็ใช้สติตัวนี้ในการทําความชั่วในการประกอบมิจฉาชีพแต่ว่ า, ถ, าถ้าสติที่เป็นการระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะมันจะทําชั่วไม่ได้เพราะว่ามันจะระลึกเห็นกิเลส เห็นความคิดอันชั่วร้ายนะที่เกิดขึ้นและไม่ปล่อยให้มันมาคลองใจน่นสติที่เราลึกได้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะถือว่าเป็นสมารสติเพราะช่วยทำให้ใจเรากลับมาเป็นปกติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม และเปิดโอกาสให้กุศลธรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาในใจเช่นความเมตตากรุณาความเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่ความอารีอารอบความเพียรพยายามความรู้จักพอสันโดษมันก็จะตามมาเรื่อยๆเป็นขบวนเมื่อเรามีสติและความรู้สึกตัวเกิดขึ้น ตสติแบบนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราเราลึกได้เรื่องกายเรื่องใจอย่างเช่นเวลาเราสวดมนต์อยู่ใจราลอยนะเส็จแล้เรานึกขึ้นมาได้ว่าเรากําลังสวดมนต์เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละคือสัมมาสติแล้วนะที่ทําให้ใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับการสวดมนต์เวลาเรายกมือสร้างจังหวะเดินรงกลมมือยกไปใจลอยไปน่นไปนี่ ปรเดี๋ยวก็ลึกเราลึกขึ้นมาได้ว่ากาลังยกมืออยู่กาลังปฏิบัติอยู่ตัวที่เราลึกได้นี่คือสติแล้วมันก็จะพาจิตกลับมาอยู่การเดินตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะนี่คือหลักการง่ายๆของการเจริญสติถ้าตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจไม่รู้อยู่ไหนนั่นแปลว่าลืมสติไปแล้วนะ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 บ้านชนิดนี้เนี่ยนะจเป็นนะที่จะต้องหาให้กับใจของเราจริงๆมันอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ใจไม่ยอมไม่ยอมกลับมานะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นคุณค่าของการอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ได้รัการฝึกฝนจนคล่องแคล่ว หรือว่าจนเชื่องเขาก็จะกลับมาแม้ว่ามันจะมีสิ่งภายนอกมาดึงจิตดึงใจให้ไปหวนคิดถึงอดีตให้ไปเหม่อลอยถึงอนาคตแต่สักพักก็รู้ทันแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบัน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 ใจมาไปคิดถึงงานการถึงภาระถึงอะไรต่ออะไรมากมายที่รออยู่ข้างหน้าแค่คิดก็ท้อแล้วพอท้อแล้วก็เลยไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรปล่อยให้ปัจจุบันมันผ่านเลยไปซึ่งบางอย่างมันเป็นโอกาสทองนะที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเท่านั้นเองเพราะนั้นก็ขอให้เราได้ได้เพียรพยายามนะในการฝึก ในการที่จะพาจิตนะกลับมาอยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นกายที่กำลังเคลื่อนไหวหรือว่าจิตเป็นปัจจุบันนะทีะ่หรืองานการที่เรากำลังทําอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะคำนี่ก็เพื่อนเท่า น, นี้กลับภาพพร้อมกัน